ปฏิบัติอันเหมาะสมแก่การเป็นนักปฏิบัติเป็นสมณะสรูปทําสายงานซึ่งพวกเราก็ทํากันมานานแล้วนะสมัยหลวพ่อเทีมีชีวิตอยู่ก็ทํามาตั้งแต่นุนพศ2องพเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็40ปีก็ทํามากันตามลาดับสายงานก็ได้เติบโตมาตามลําดับซึ่งก็จนกระทั่งว่าเรื่องของคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยได้ขยายไป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 ะระวัดระวังในสิกขาบทในข้อห้ามและในคนปฏิบัติไม่มันใครคนไม่ไม่มันศึกษาในสิกขาบทอันนี้ก็เป็นอันตรายเป็นอุปสรรคอันที่สามก็คือการเสพปัจใจสี่ด้วยการไม่พิจารณาไม่มีปัจยเณรศีดสีนั่นเองเถ อ, อันที่สี่ก็คือไม่ปาราความเพียรอยู่เป็นประจำและว่าชาคาริยานุโยก อันนี้อันตรายสาหรับผู้ที่ปานกลางสีอย่างนะครับคือไม่มีอาชีวะปริสุทธิศีลไม่มีปฏิโมกสังวรศีลไม่มีปัจจะศีลนิสสันนิสิตศีลแล้วก็ไม่มีชาคารยานุโยคเนี่ยทั้งสี่ข้อสาหรับผู้ปฏิบัติมานานก็จะมีอันตรายเหมือนกันนะครับมีอันตรายตรงไหนมีอันตรายตรงที่ว่าไม่แจ่มแจ้งในสติปัฏฐานสี ไม่แจมแจ้งในอิธิบาทสีไม่แจมแจ้งในสัมปทานสีไม่แจมแจ้งในอินสีห้าในพระห้าพุทชงเจตอริมักโยงแปดเมื่อไม่แจมแจ้งก็ยังไม่ขวนขวายไม่ศึกษาให้แจมแจ้งนะตันั้นแต่ละระดับก็มีอันตรายเฉพาะตัวระดับผู้ใหม่ดังได้กล่าวแล้ว อันตรายสำหรับผู้ใหม่อันตรายสำหรับผู้ปันกลางและอันตรายสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์สูงทั้งสีอย่างและ4ีอย่างผู้มีประสบการณ์สูงแล้วไม่แจ่มแจ้งในศติปัญสีผู้มีปันกลางไม่แจมแจ้งในอาชีวประริสุทธิสินสีแลวก็อันตรายไม่แจมแจ้งสำหรับผู้ใหม่ก็คืออันตรายสำหรับผู้บทใหม่4ประการ แล้วก็ควใรจะศึกษาและเจดจำเอาไว้ว่าเราอยู่ในระดับใดก็ต้องระมัดระวังอันตรายในระดับนั้นซึ่งในรายละเอียดต่างๆผมจะค่อยชี้แจงแนะนําไปเป็นลําดับแต่ละวันแต่ละวันไปในช่วงเข้าปริวาตนะครับในช่วงนี้ที่พระอาจารย์ดวงศีนยังไม่มาถึงขา้าอาจารย์ทวงศีนยังไม่มาถึงแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปก่อนเตรียมสถานที่เตรียม ท, ท, ท, ท, ท, ที่อยู่อาศัย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 ผมพยายาให้ท่านทั้งหลายนมีความเข้มแข็งเพื่อจะทำภาระหน้าที่ได้อีกยาวแล้วก็ไม่มีขัดข้องเพราะร่างกายของเราเดียบเสมือนรถนะครับแล้วก็จิตใจนี่เปรียบเสมือนคนขับถ้าจิตใจเราดีฝึกมาดีแต่ว่าร่างกายเราไม่ดีเนี่ยลราก็ขับไปได้ไม่นานเหมือนรถนะคนขับจะเก่งขนาดไหนก็ตามแต่รถบรรยางแตกรถบรยางรั่วยางซึมรถคงร่าง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 ซักผ้าหาของใช้อะไรต่างโดยไม่เป็นเวลาเวลาอันนี้เราก็จะได้พิจารกกันเป็นข่าวคราวไปนะครับที่เราเตรียมกันสำเร็จแล้ววันนี้ก็เปที่อาบน้ำสูงน้ำนะครับพวกผมกลุ่มหนึ่งก็ได้ไปเอาอกระสอบทรายมาบรรจุกระสอบทรายแล้วก็ทำทานบเพิ่มคันกันน้ำให้สูงขึ้น